ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมถะที่ภิกษุเจริญแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมจิตจิตที่อบรมแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อมละราคะได้วิปัสสนาที่อบรมแล้วย่อมเสวยประโยชน์อะไรย่อมอบรมปัญญาปัญญาที่อบรมแล้วย่อมสวยประโยชน์อะไรย่อมละอวิชชาได้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 ภาวะที่รู้ละเอียดความรู้แจ่มแจ้งความคิดค้นความใคร่ครวญปัญญาเหมือนแผ่นดินปัญญาเครื่องทำลายกิเลสปัญญาเครื่องนำทางความเห็นแจ้งความรู้ชัดปัญญาเหมือนประตักปัญญินีปัญญาพละปัญญาเหมือนสาตราปัญญาเหมือนประสาสต์ความสว่างคือปัญญาแสงสว่างคือปัญญาปัญญาเหมือนประทีพ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 คือจุดที่จิตเริ่มเห็นความดับของสภาพใดสภาพหนึ่งและแปลเป็นความเกิดของอีกสภาพหนึ่งแล้ว